อาบัตเบาทีนี้สำหรับวินัยเล็กๆน้อยๆเช่นอย่างอาบัตทุกกฎนอกจากจะมีในเสกียววัด75เสขียวััด75เนี่ยลวงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งวินัยปรับอาบัตทุกกฎแต่วัตถุที่เป็นอาบัตทุกกฎนี่มันมีมากมาย่ายกองไม่สามารถที่จะบัญญัิเป็นข้อๆได้ท่านจึงสรุปลงว่า สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อเสียมารยาทสิ่งนั้นเป็นวัตถุแห่งอาบัตทุกกฎการทําการพูดที่ไม่สํารวมพูดดังเกินไปพูดตลกโปกฮาหรือก้าวร้าวสิ่งที่มันเป็นการตลกขนองเช่นเล่นปูยีปูยำเช่นจุดป่าเล่นท่านยกตัวอย่างเป็นการเสียมารยาท ต, ต้องอาบัตทุกกฎทั้งนั้น